อ่าเป็นข้อสามกับข้อสี่ข้อสามข้อสี่ก็เป็นข้อห้าข้อหั น, นี่เป็นรายละเอียด น, นะครับในดานการเกิดที่ก็ใครสนใจก็ลองหมายสาไวา้ไม่สนใจก็เลยไปไม่สำคัญ น, นรกแปดคุ้มมีสันญาว่านรกกาลากุตารนรกตาปานานรกมหามหาหรือมหาที่ผมใส่วงเล็บเนี่ยตามที่เราพูดกันอย่างคุ้นคุน้แต่ว่าในคาถาวัตถุท่านเรียกว่าปัตตาปานานรก <c oughs> แทนคําว่ามหา อแล้วก็สังคาตักรกบโลรุวานรกปารอรุวานรบในในนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ใส่ไปตามเข้าว่าตามไม่ใช่คามหาก็ต้องเป็นปโรอรุวานรกแต่ใช้อย่างคุณคุณก็เป็นมหาโลรุวานรลบ <c oughs> ปะ่าจะเป็นคําแทนมหา <c oughs> แปล ว, ว่าพั่วคือทั่วถึงทุวนที่ซึ่งความหมายเขามันรุนแรงกว่า แล้วก็เอเวจีนรกหรืออวีจิตีในนี้แค่เร่อเวีจีนรกอย่างเดียวกันก็ขอพูดถึงนรกโดยความหมายย่อๆนิดนึ่งนะครที่เรียกว่าสันตีว่าก็ว่านารกคุมนี้ตัดในนรกคุมนี้ถูกฟันด้วยดาบครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วฟันทีก็เลยว่าตายทีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ฟันใหม่โดนฆ่าตายรู้กี่ครั้งถ้ายังเกิดอยู่ในคุมนี้อยู่ก็ผมเข้าใจว่าจะต้องตายสิงนะ ตายจริงๆเพราะในตําราให้ใช้ปูนตายจริงๆไม่ใช่ทายเล่นๆถูกฆ่าตายจุติจริงปฏิสนธิจริงแต่ว่าเวลาเรานับแบบห ย, บยาบๆก็ถือว่าเป็นชาตหนึ่งโดยเอาโดยรวมๆกันไปแต่ว่านับตามกระแสจิตเนี่ยตายจริงๆถูกฆ่าตายจริงๆ <c oughs> นั้นสัญชีว่งแปล ว, ว่าฟื้นน่ะตาแปลแบบไทยๆเรียนแล้วว่าฟื้นคือการกลับมีชีวิตขึ้นมาอีก นรกที่ผูกข่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาให้ไข่ตำกรรมอะไรมานะก็ไปไปไปเรียนไปเกี่ยหน้าก็แนะหรืออ่านอ่านหนังสืออะไรถูมาล่วงกันกาลสุตตานรกคือนรกที่ตัดที่อยู่ในภูมินี้ถูกตีด้วยเชือกเหล็กสีดำนะกาลสที่เนี่แปลว่าสีดำสุตตานแแ้วว่าเชือก หลังจากนั้นจึงตัดหรือถากด้วยขวานด้วยมีดหรือด้วยด้วยถูกตีแล้วก็ถูกปั่ น, นประเภทนั้นถูกตีถูกปั่นถูกเลยทําตามลําดับอย่างนี้สตาปันน้านารกอตาปะนี่มันแปล ว, ว่าเผาลนคําเดียวคสมศรบานนะครับคือตัดในนรกขุมนี้ถูกตรึงด้วยเหลาเหล็ก หลาเหล้านี่คืออะไรกันนะหล้าก็คือเหล็กแหลมเนี่ยนะครับเหมือนอย่างไอ้ไม้แหลมที่เราเสียบลูกชิ้นเนะ่ยอย่างนั้นเรียกว่าหลาเป็นเหลาว์เห ล, ล็กแล้วก็ไม่ใช่ลาเหล็กธรรมดาหล้าเหล็กแดงเหมือนเอาเหล็กไปเผาไฟให้ร้อนแดงรุกโชนไเหล้าเหล็กนี่แหะครับที่ <c oughs> ตึงสัดไว้คือตึงตามอาวัยวะบางส่วนไว้จากนั้นก็ ผูกเผาด้วยไฟเอาไฟเผาหรือเราไปครอบง่าเอาไฟเผ า, เ า, เาแต่อย่าถามมาบาดไม่บาดในเรื่องมันเยอะเองเอาไว้ถึงเรื่องมันรกกันปุกแล้วก็ป่าตาป่นานารกหรือมหาตาป่านรกนั้นอ่าในภูมี้แทนที่จะถูกตึงด้วยเหล็กร้อนก็โยมบาลไล่ให้ไปเขาที่ไปเขาคือภูเขานะครับที่ เป็นเขาเหล็กร้อนแดงมีไฟลูกโชนอนนี้แปลกนะครับในเมืองในเมืองมนุษย์ไม่มีแต่เขามีแต่เขาไฟก็ไปบางทีแล้วก็เขาหินเขาอะไรนี่ก็มีเขาดินก็มีเขาตรายก็มีแอมแพกบท น, าาทนที่นะเขาทรายไม่ใช่ชื่อน้ำม่าแต่นานาโลกมันมีภูเขาเลหล็กแดงสําหรับท ร, รมานตัดเกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมของการ ก็ถูกรยาบาลไล่ในปีพอปีไปปีไปได้ที่โทนร้อนไม่ไหวก็ต้องเสี่ยงเรียกว่าเสี่ยงคมออกคมดาบของโรงพยาบาลหลังยอมตกลงมาให้ให้ทีไม่ได้พอตกลงมานั้นปรากฏว่านี่เหลือบ่าจระเข้ตกลงมาเจอไฟถูกไฟไหม้ถูกไฟครอกหลังเท่ากับว่าหนีไปที่ไหนก็เจอจะ่ไฟทั้งนั้นน่ากลุ้มนะ เคยแมเหมือนอย่างเราเวลาเราปวดมากๆคลิกไปทางไหนก็เจ็บหนีไม่ค้นปวดให้ายาปวดเดียวแต่นี่ยิ่งกว่านะแหมเรามองมอ ง, มองดูแล้วก็นึกสงสารใส่แต่พอดูบุปกรรมแล้วก็อยากไปในสมน้ำหน้าสมนะอ๋อพวกนี้ในปิเจ็ดต้องไปดูในปเจ็หน้านะผมจำแนนว่า ม, มันมีหลายชรณีด้วยกันแต่ เป็นกรรมหนักมากมาดูพวกที่เขียนสังคาร ส, สังคารสกัแต่ชื่อนี่มาอมาที่สี่นะครับต่อมาห้านะสังคารสกัดหรือสังคารตนรกนะครับเป็นนรกที่ภูมินี้กลับอ่อนกว่าสามกับสี่นะครับเรียเก้าห้างเรียงไว้ก่อนคือ สัตว์นรกในภูมินี้ถูกภูเขาเหล็กที่มีไฟลุกแดงกลิ้งมาบดจนร่างกายแหลกละเอียดแต่ภูเขาธรรมดาเนี่ยมันก็ปดหนักด้วยนะนี่ทั้งแดงมีไฟลุกด้วยก็เรียกว่าทั้งเจ็บปวดรวนแล้วหลายอย่างขุมที่หกโรลวะ นี่เป็นนรกขุมที่ถูกทรมานด้วยควันท่านบอกว่าควันไฟเข้าสู่ตะวนันก้าวต่างตะวันก้าวมีอะไรบ้างนะ ต, ตาตาสองข้างนะจ ม, มูกปากหูตวันหนักตะวันเบาก็ทั้งขุมขนคนระัขุมขนถือเป็นตะวันหนึ่งนะก้ามีควันเซึมเข้าไปที่นั่นแล้วควนันนี่ไม่เหมือนในโลกเป็นควันธรรมดาอย่างในโลกมนุษย์น่ะก็เนี้ต้องเรียกวเป็นควันกระ ควันกลดคุณอาจร์จะเทียมในโลกนู้น็ประเภทควันดีๆเป็นควันแโอ้โหป่วแต่ปวดร้อนมากโดนยุงโดนมแมลงตายทันทนีนั่นก็ในนรกกลุมนี้ก็จะมีเสียงเจี้ยวเจ้าดังละงมไปไปทั่วตลอดเวลาสำหรับมหาโรร้รวัตนั้นท่านบอกว่าแทะจับควันไฟนะครับกลายเป็นไฟเข้าสู่ตะวนันตกา เอาเวจีนี่เราคูณกันมาผูกตึงด้วยเหลาเลยแดงทั้งสี่ด้านแล้วก็จุดไฟเผาตลอดเวลามีไฟเผาตลอดเวลาใช้คำว่าตลอดเวลาเนี่ยก็หมายถึง เ, เวจีคือไม่มีว่างเว้นเลย <c oughs> ที่ว่าเวจีเพราะว่าไฟไม่มีว่างเว้นทุกเวทนาไม่มีว่างเว้นถ้าเราถามหมอพระโพธิสัตว์ไปจูนนะลูกนะลกเพราะ กระทำความไครในความเป็นใหญ่หรือปรัวาสี่อบว่าไม่ใช่นะะที่เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่เนี่ยร อ, อะไรคือที่จริงเนี่ยพระโพ ธ, ธิสัตว์ได้รับพุท ธ, ธาภิญโกรแล้วไปเกิดในอบายภูมิใดได้บ้างเนี่ยมันหลายภูมิแต่ที่เขาเอามาแสดงความเห็นที่นี้เฉพาะวิีบัติเขาไม่เ อ, อยถึงนรกคือคำถามว่าในหลักการเดียวกันรวมถึงนรกเดือบอเปล่าตัวหีึีว่า ถ้าโปริีัท์เนี่ยทัานราวาย์ไปเกิดในบใญภูมิได้หลายภูมิท่านกล่าวแต่เพียงว่าไปสูญนิบาทเพราะความค่ายในความมีใหญ่ความค่ายในความมีใหญ่ทําให้ได้เกิดในโลกั้งแฝงขุมนี้ด้วยไหมเขาบอกไม่ถึงแม้ว่าเพราะว่าโปรตีจะได้เกิดในโรกบางขุมได้เขาก็ไม่ยอมออกมาใส่หลักการจริงปฏิเสธนรกไปทั้งหมดมันก็เข้าว่าเราเอามาถามต้องการจะบอกว่า ถ้าพุทธเจ้าไปเกิดในนรกบางภูมิได้เนี่ยไปเพราะกรรมได้หรือไม่ไม่ใช่เพราไขในความเป็นใหญ่ใช่ไหมเอาเราเว้นอาเวจีด้วยนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนะแล้วไปเกิดในวิบาตเนี่ยจะไม่เพราะกรรมได้อย่างไรก็ต้องเพรากรรมไม่จริงไม่ใช่เพราะความไขในความเป็นใหญ่แต่คาว่าไม่ใช่ที่ผมบ่าว่าเนี่ยก็คือเราหมายถึงว่าต้องการจะเพิ่มเติมความว่าไอความเป็นใหญ่จะ็นเหตดรอง กรรมเป็นเหตุหลักเหตุประวัติจริงไปเสดไปเราก็ถามทีนี้ถามหาหลักฐานเพรถามหาหลักฐานเนี่ยไม่มีนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียหายในทางอ้าหลักฐานว่าพ้ะองค์เคยตรัสเลย ไ, ไมความจริงที่เราคูออ่เราภุทิเจ้าสร้างบารมีเพื่อเป็นบุตรเจ้าจึงต้องเสี่ยงไปเกิดในใบยภูมิเปิดช่องให้กรรมนําไปสึงใบยภูมิได้บงังก็ไม่ติดหรอก เรื่องอย่างนี้นะครับก็มีการพูดกันในใ น, ในชั้นกำพรีเหมือนกันแต่ที่จะตรัสออกมาอย่างที่ท่านพูดว่าพระโพลีสัตว์เป็นสัวใบยาภูมิเราก็ทำความไพ่ในความบปญนใหญ่นั้นมีสูตรปรากฏชัดๆอย่างนี้ไหมไม่ไมีที่ตรัสตรงๆอย่างนี้ใช้คาพูดอย่างนี้ที่กรำกวมหม้ได้ปฏิบัติก็ได้เ น, นี่ยไม่มีพูดเลยตราชวัลีก็เลยต้องรับว่าไม่มีคราวนี้เรื่องนอนในคัน พระโพธิสัตว์ยังลงสู่ความเป็นผู้นอนในครันคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกระทาความผ่าในความใหญ่ใช่หรือไม่พระวัดีตอบว่าใช่จริงไม่ล่ะครับอาผมถามว่าพระพุทธเจ้าในข้าบุตท้ายเนี่ยท่านมาเกิดในครันและเกิดนอกคันเกิดในครันการที่สันตุสิเทวบุตรลงมาเกิดในคันเนี่ยเพราะอะไรครับวารอดจริงต้องกลับมาเกิดเป็นโอรสของระนาง ปิริมาามายาอามาตอหละแต่เราตอบอย่างทั่วไปแบบไม่เอาหลักก็วันทีแล้วก็บอกว่าก็เป็นกะเลวการสะสมบัตใช่ไหมได้พิ จ, จารณามหาอะไรอามหมาปัญญามหาวิโร ก, ก น, นะพิจารณาเห็นการเหมาะสมแล้วก็ทรงอธิษฐานตายมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรจุดโดยจุดมุ่งหมายเรี่บรอดอะไรโดยวัตถุประสงค์เพราะตราสนามเป็นพิชชา ไม่ใช่ตั้งใจให้กรรมตรงผลนะแต่อะไรเป็นตัวทําให้ได้เกิดเป็นมนุษย์สมความตั้งใจกรรมครับหนีไมคนกรรเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแยกกับว่าบอกว่าเนี่ยอย่างที่ระบอเนี่ยที่ฉันรวยเนี่ยเพราะฉันปรารถนาจะรวยแต่ยัยงรวยเป็นความปรารถนาเนี่ยบอกอาซะคนอื่นเขาปรารถนารวยถ้าคุห็นเขรวยอย่างคุณแหละแล้วบางคนมาปรารถนารวยอยู่เฉยๆก็รวยได้เห็นไหมทำไมมี เร่องี่ ว, ว่านอนคุมโปร่งอยู่เฉย ใ, ใต้ต้นไม้มีร ะ, ะลดมาเกยในจานโดกนะจริงจริงหรืออย่า ง, งที่ยกตัวอยงว่าเจ้าวนาตามนายากจนตลอดชีวิตอยู่นอถนนตัดผ่านก็รวยเหมือนกันโดยไม่พัาดทิศโดยที่ไม่ไตั้งใจเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจอยากจะเป็นอะไรอยากจะไปไหนแล้วสมความตั้งใจเนี่ยนั่นเราต้อมีบุญรับรองอรับุญจริงเป็นพระเอก ที่ทําให้ความตั้งใจสำลีคนอะไรอย่างที่เคยพูดบ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆก็ดีผมก็อยากจะพูดเตือนตัวเองด้วยว่าความสําเร็จทั้งหลายย่อมสําเร็จได้ด้วยบุญนะครับผมจึงบอกว่าขออะไรเราจะขอความสําเร็จเนะี่ยอย่าไปขอแก่คนอื่นเลยครับสิ่งที่เราจะขอแล้วได้คือขอกับบุญแล้วบุญใครบุญเราไม่ใช่ชาวบ้านก็ทำบุญแล้วบอกขอความสาเร็จนั้นยังเป็นของผมไม่ ไ, มได้ ของใครของมันดังนั้นบุญเนี่ยบุญนี่จึงเป็นต้นนะที่พึ่งดาพึ่งตนก็นคือพึ่งบุญเพราะนั้นไอ้ที่เราไปขอขอคนอื่นยขอคนเทวดาไปส่งไปเ้นด้หรือไปขอเทวด า, า ต, ตามพระกรมถามพระตูมหรที่ไหนนี่ขอแล้วได้เนม่ยเทวาดาพระเทวดาเทวดาเขามองออเหมือนกันมอาคนไหนได้ไม่ได้อย่างกระทั่งคนที่เขามีวิชารักษาคนด้วยพลังจิตเนี่ย พวกนี้ถ้าเขาเก่งจริงๆเขาก็ไม่รับคนไข้ตรงเดชเหมือนกันเขาต้องปรึกษาเทวดาดีเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีรื้มือนะไอ้พวกมันมีรื้มือมไม่ไม่เอ่ยถึงจริง้เขาต้องปรึกษาบอกเป็นไงท่านคนนี้รอดไหมแต่เทวดาบอกมึงอย่าไปรับนะรับแล้วมึงเสียชื่อเกาไม่เอาครับไอ้พวกเก่งๆเขาไม่รับตรงเดชเหมือนหมอโรงพยาบาลที่เขารักษาที่เสียงมาทําทำ่าจะตายก็ไม่เอาแนละ้วเอาไปที่อื่น บางทีก็พูดเรืงหมอไงดิอย่าพูดอนตะ่เดี๋ยวไปเจอหมอที่นี่เพราะเราปัดอยที่ไปตัดที่น้งที่นี่นอะไรเนี่ยมาแล้วเขาโกรธเขาเสียชื่อเสียงไงเห็นเราไม่หลอกแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องส่งคืนลงยาบาลไปบางที่ก็แต่อย่างนี้เพราะเขาเรื่องเขาระวังชื่อเสียงก็จะทําอะไรง่ายอย่างคนที่พยายามสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้ ทั้งหมดจะสำเร็จด้วยบุญจริงๆคนอื่นเป็นแต่เพียงตัวเสริมนั้นะเป็นกลไกลของบุญเป็นเครื่องมือของบุญทั้ น, นั้นเองบริจนั้นที่ทรงมาเกิดเพราะความไข่ในความเมยใหญ่จึงเป็นเหตุรองจึงเป็นเหตุรองนะครับทีนี้เราก็ถามว่าพระโคดิสัตว์พึงเข้าถึงนรกพึงเข้าถึงกําเนิดเบลัยชานินี่เอาเอาเอา เอากําเนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวาทงของพระวาทีที่จะกล่าวรับรองมากล่าวเทียบด้วยเพราะเขพูดก็ความไพ่ในความใหญ่จริงไปเกิดที่นันตีเนี่เขาไม่ได้ระบุว่าเดี๋ยวจาย่านะไม่ได้ระบุนระกมีแต่วิิบาตเราก็เลยเอาที่เขาไม่ได้ระบุเนี่ยมาเทียดให้เขาดูว่าเดอย่างเดะอย่างนรกเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าวินิบาตอีกอ้างมาปีแรกนะตอนนี้ก็มาอ้างว่า เกิดเป็นมนุษย์ในนรกหนักยิ่งกว่ามนุษย์อีกเดรศานก็ยังหนักยิ่งกว่ามนุษย์ไปเกิดอย่างนี้ได้เนี่เพราะใครในความเป็นใหญ่หรือม่ดืวยหรือมะเขาก็บอกไม่ใช่เพราะเไม่ได้พูดอย่างนั้นทีนี้ที่เราถามอย่างไม่ต้องคจะบอกว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เรียกว่านอนในคันก็ดีลงนรกก็ดีไปเกิดเป็นเดรศานก็ดีจึงพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าท่านพูดอย่างนั้นท่านมัพูดได้หมดแม่พูดอื่น แต่ถ้าบอกว่ากกเพราะกรรมาได้หมดเลยภูมิใดที่พระโพธิสัตว์ไปเกิดได้เราพูดเราไปเกิดเพราะกรรมถูกหมดนี่ต้องการแจกที่ตรงนี้ตอนนี้มาดูข้ อ, อามาดูข้อหกเราถามว่าพระโพธิสัตว์มีฤทธิ์หรือ แต่ที่ถามว่าโหสัตมีฤทธิ์หรือเนี่ยเป็นคําถามคําถามที่ห้าคำถามที่หกนะต้องการจะจะซักฟอกคาถามที่สี่ทั้งคู่นะครับก่อนอ่านก่อนจะอ่านอธิบายดูด้วยเล็กๆอ่านแล้วก็ทำกองแล้งตองตรงนี้นะครับที่ปรัชญาทีต้องการจะเสนอ ความหมายใหม่หรือความหมายเกิดนอกเหนือจากที่ประธานหมายถึงตคือิสระที่หมายถึงบางมีอมยากรู้เนี่ยรเราต้องการจะหมายถึงอิทธิบาทหรืออธิปไติที่เรียกาิสระได้เราเราอบอกว่ทาทำนี่มีความหมายอยูอออจจ่ขอโทษอาจารย์เถทะทางทนะครับถ้าผม ก็าตีขึ้นมาวางก่อนว่าเพให้ในความเป็นใหญ่เพราะว่าจึงยงนอนในทันหรือไเกิดในทันหรเป็นมนุษย์เรให้ในความเป็นให่ที น, นี้ตรงเนี้ยเราตัง้องอบหอตั้งความหมายความหมายหนึ่ง ก็คือความหมายว่าใหญ่คือพระพุทธเจ้าความหมายที่สองว่าใหญ่คือยินบาทสี่อ่ว่าใหญ่คือพระพทเจ้าเราก็เอารักอื่นเอากำเนิดอื่มาค้ากว่าพระพุธจ้าศาสนาความเป็นใหญ่จึงไปเกิดในนรกด้วยแช่ไหมหรือไปที่อัานจะเกิดในรกได้ไงเพรความเปใหญ่ ปัจนาความใหญ่เหมือนกันใช่ไหแล้วก็ไปเกิดเป็นสันในในชนก็ได้นะบริสัทพราะเพราะความเป็นใหญ่ปัจนาความใหญ่เหมือนกันใช่ไหมอะระวามีปัษษษิเศสปัจนาเศสเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวาระของเขาใช่ไหมวาระของเขามีแค่ตัวง ในนี้เัาใช้คาว่ารกแทนงะครับในคว่ารีแท น, น, ทแทนถ้าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดต่างหากว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเกิดได้ควรว่าตทรงตายเลือกตายไดเลือกที่ตายเลือกเวลาตายเลือกโอกาสตายเลือกที่เกิดเลือกพอเลือกแม่ไ เป็นเพราะอะไรก็ตอบว่าเป็นเพราะกรรมและกรรมนี่เป็นกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมดีครับและกรรมดีในเขาเรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นฤทธเป็นฤทธเรียกฤทธอะไรรูนะ้ไหมบุญญฤทธถามว่าพระโพธิสัตว์มาเกิดในคันเนี่ยพระโพธิสัตว์มีฤทธหรือเขาตอบว่าใช่เนะี่ยเขาหมายถึงเพราะพระโพธิสัตว์ทรงมีบุญญฤทธ จรงทรงเลือกมาเกิดในคันในประคันวมานด า, ดาที่ท่านอาจจะสงสัยว่าทัไมพูดไปพูดมามากลายเป็นเรื่องลิบไปเพราะลิบนะ่ะเป็นชื่อของอิทธิบาทอิทธิบาทมีชื่ออย่างว่าอธิบดีและอธิบดีนะั้นมีความหมายเท่ากับอิสริยะมันมันซับซอนอยู่อย่างนี้นะคะจริงเหมือนเราอะไรอยู่ยๆพูดไปพูดมามาโลรเรื่องลิ ฤทธนี่ก็คืออิทคือความเป็นใหญ่อย่างหนึ่งนั่นเองครัความเป็นใหญ่อย่างหนึ่งก็ความเป็นใหญ่เนี่ยบางทีทรัพย์สมบัติยังเรียกความเป็นใหญ่เลยฤทธิ์ก็เป็นความเป็นใหญ่อย่างหนึ่งเป็นบุญฤทธิ์นที่เรียกความเป็นใหญ่ตามพระโพิสัตว์มานอนในคันเป็นลูกของพระมหาสัตว์ได้เนี่ยเพราะความเป็นใหญ่คือฤทธิ์หรือก็บอกไปะชัยคือบุญฤทธิ์ถูกไหมครับพูดอย่างนี้ถูกไหมก็ถูกอีกเหมือนกันถูกตรงตรงเลยใช่ไหม นั่นที่ปรังวารีตอบว่าใช่เ่ก็ขาหมายถึงบุญญานิ้แต่ที่ตอบไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่เขาหมายถึงอิทธิบาทอิทธิบาทสีที่ไม่เช่บุญอ่านในในนี้หน่อยนะครับข้อ6กพระโพธิสัตว์มีริศหรือ ีถาว่ามีฤทธิ์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไปเกิดในคันเราพระดุษฎีพรโพธิสัตว์ไปเกิดในคันนะเพราะพระโพธิสัตมีฤทธิ์หรือมันจะมีความหมายในสองอย่างนะครับอิทธิบาทสีกับบุญถามทีแรกพระวารีบอกว่าไม่ใช่ที่บอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าทรงมาเกิดในคันไม่ใช่ทรงมาด้วยอิทธิบาทภาวนาสีใช่ไหมเพราะตอนที่มาเกิดนี่ ตอนนั้นเรา ย, ยังคิดว่าไม่ได้ทรงใชยอยิธิบาตสีไม่ได้ทรงเข้าฌานไม่ได้ทรงทําฌานเพื่อมาเกิดเมือนอย่างเราทำอิธิบาตสีชพื่อจะต่ออายุไม่ใช่ข้อนีระวอาทีวิเจศษหมายถึงปฏิเสธอิธิบาตสีฤทธิ์หมายถึงฤทธิ์อันอสำเร็จเรื่องิธิบาตสีมีชันาะวิญาติตาวิมังสาถูกข้าที่ปฏิเสธตรงนี้ถูกแล้วถามอีกครั้งหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์มีฤทธิ์หรือ ทีงมาเกิดในคันได้ดังกล่าวเขาบอกว่าใช่ใช่ของเขาตรงนี้ป้อนูกอีกครับตอบรับถูกแล้วเพราะใช่หมายถึงบุญญาลิข์นี่เห็นนะครับว่าเข้าหลักเลยครับว่าประมวิษณ์มาเกิดเนี่ยบุญเป็นตัวสำคัญปราธนาจัตตรูก็เป็นเป็นเกตุอีเกเตหนึ่งตามเจตนาที่ปราถนาจะมา ตัมันค่อยยุ่งๆหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเขียนป็นชติหน่อยก็อาจจะชัดเจ๋วขึ้นเมื่อประวาสีรับวัดไทยในครั้งที่สองของคำถามดีหกโดยข้อหมายดิบุญจะริศซึ่งคำตอบข้อดีหกขั้งสองั้งเน็ตผูกทั้งคู่และเราก็การสนาจะให้ตอบอย่างนี้เลยนะครับ ข้อที่เจ็ดเราก็เลยแวะไปถามเพราะคำว่าใช่ของเขาเนี่ยเราต้องการจะบอกว่าคำว่าใช่ของท่านไม่ได้หมายถึงฉันทาวิยาสิตาวิมังสานะต้องการจะถามให้ช่ดใน น, นี้คืต้องการจะบอกว่าบอกคนอ่านว่าใช่ของเขาถ้าหมายถึงบุญญาลิขิตถูกนะแต่ถํามถนะมหมายถึงอิทธิบาตรีไม่ถูกนะใช่ไอยไม่ใช่ถ้าหมายถึงอิทธิบาตรีก็ไม่ถูกนะอนเด แต่ไม่ใช่ที่บาซีนะถูกสมัยถึงบุญญาลิทธ์นะพีแต่ต้องการจะบอกความอย่างนี้คําถามที่เจตโปรโมาว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านกล่าวว่ามีฤทธิ์ไช่ในของท่านไ ม, ไม่ได้หมายถึงที่บาซีใช่ไหมเราจึงบอกว่าพระโพธิสัตว์ได้อบรมทันตาวิยสิตาวิมังสาหรือก็อก่อนหน้าจะลงมาเนี่ไม่ได้อบรมนะนี่ต้องเข้าใจทรงอยู่บนนุ่งเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจบุญ บุญท่านเต็มแพร่ไม่ได้ทําเลยไม่ได้มาเห็นเช่กันครับว่าเป็นเป็นสมัยพักผ่อนเพื่อใครๆพักผ่อนเพื่อจะลงมาหลับอันนี้ก็เป็นตัวโพดิษฐ์ดูแล้หลายชาติไปไงทําบุญทําบุญแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนบนสวรรค์ตั้งหลักเป็นแล้วก็ลงมาอ่านท่าดอกดูเย็นเนี่ยนั้นนะก็พราะโพดิษฐ์ได้ทรงสร้างบุญญาบารมีเมื่อแต่กายทําลายขันแล้วก็ได้ทรงไป เข้าถึงสวรรค์จำนันท์จะมเป็นเวลายาวนาะนบางกีก็บอกเวลาดีก็ไม่บอกอายุแล้วค่อยลงมากันอีกสิเนี่ยก็เรียกว่าคนนักทํางานสมัยใหม่ต้องรู้จักพักผ่อนใช่ไหมต้องพักผ่อนไปถึงเวลาพักก็พักพักเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาทํางานตามบารมีอันนั้นา่าสุดท้ายนี่จริงเลยว่าต้องเป็นชาติที่เหมือนกับเป็นวันโกนของหน้าทีเดียว น่าจะบวชจะต้องเรียงวารักษาเนารักษาตัวให้ดีโบราณว่าจะเป็นนาาในไปทาตัวมะเยเตยมาวเดียวหน่วนเดียวเนียเดียวก็ไม่ได้บวชนั้นก็ไม่ได้บำเพ็ญเพียรอะไรในเวลาไห น, นหรือว่าสวายบุญนั้นเมื่อเราถามว่าพระบรมษาได้อบรมกันท้าวริยะแล้วก็มาเกิดในคันเขาฤทธิ์คืออิทธิบาทสีนี้หรือเขาบอกว่าไม่ใช่ คำปฏิเสธตรงนี้ท่นทำให้ความถัดชัดว่าถ้าพระวาทีตอบลักอย่างโดยความหมายอย่างนั้นปฏิเสธโดยความหมายอย่างนั้นถูกต้องถูกต้อ ง, อง แ, ล แ, ลแล้วแลเราก็ถามโดยกล่าวอ้างว่าแต่ที่ท่านมาพูดอย่างนี้เนี่ยมีพุทธคตตรับไว้ตรงกรงมั้ยที่เป็นกระสูนไม่มีไม่มีนะครับ ติดตรตรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะห้างความผิดผูกในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราอ้างโดยไม่มีพุทธคตตรัตเป็นลูกคำพูดไว้ชัดๆอย่างนั้นแต่เราอธิบายไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่วราจะปิดเสมอไปถูกไหมอย่างเช่นคำของภาษารพุทธหลายๆคำที่เป็นคําของภาษาพุทธเอง โดยที่พุะเจ้าบริสทรงตรัสไว้ในด้านของรูปคำหรือรูปโครงสร้างรูปแบบแต่อัดเข้ากันได้ก็ถือว่าไมส่สูงรพุทกพสูตรไหมครับหรือในตะราที่ท่านพูดอะไรไว้ก็เช่นเดียวกันครับหรือบางทีท่านอาจจะใช้คำพูดอะไรที่ท่านเป็นอย่างอื่นแต่กระตั้งชื่อสูตรอะไรเนี่ ย, ยเช่นกาลามสูตรในพระไิฎกเองก็ไม่ได้กาลามสูตร เป็นเกศาปุรตสุอาจจะตถาเป็นกาลามสุหรือแม้กระทั่งในชื่อของตถาในตถาวัตถุวัตถีดลบเองลหลายๆตถาอัตรตถาก็มาเรียกตั้อย่างอื่นก็ไม่ได้ถือว่าผิดเพราะว่าท่านก็มีเข้ามีมูลจะทําให้เรียนอย่างนั้นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องกระทําความเกิดกระทําความไถ่ในความเป็นใหญ่จึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโดย อ, อธิบายให้ครูก็ได้ผิดก็ได้ แต่โดยรูปคําพูดที่เป็นพุทธพต์ไม่มีถ้าจะมาอ้างโดยบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้เป็นการตูดเลยนะท่านจะสําคัญความหมายถูกหรือผิดยังไงละอย่างเดิมแต่ถ้าจะมารับรองในฐานะว่าทรงตรัสไว้อย่างนี้จริงๆในวัดใดตีดอกนะทา้าววันที่ไหนลองไม่รู้หาตีเจอฮ่าฮ่าาฮะ <S <S อ, อก็ก็เป็นเหมือนกัน เป็นการกล่าวตูเป็นบาสนะหมายถึงมั่วใช่ไหมอ๋อมันก็ก็ท่านก็ถือว่ากล่าวตูท่านเหมือนกันทีนี้ว่าอยู่ที่ว่าผิดมากผิดน้อยถ้าผิดไปจริงๆเนี่ยนะครับก็แม้หน้าทั้งวรเหมือนกันแต่ว่ า, าใช้คำพูดเป็นอย่างอื่นแล้วความไม่เสียความไม่เสียก็ไม่ถือว่าผิดในแง่ของเนื้อหานะค ัก็เหมือนวันนี้อ่านอ่านมติชน่ะขอเล่ามาหาจอนเขาพูดในเรื่องหัวข้อว่าอะไรนะั้นรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าเขาพูดในเรื่องในช่วงหลังไม่มีการโต้แยง้งอธิบายกับเรื่องตายแล้วเกิดจริงไหมมันเนนกี่ยวกับอิทหิ์ตนนะก็มีหัวข้อคูยกันในที่ต่างๆมากอย่างหาจอนก็มาเขียนว่าเนี่ยพวกนี้รู้ดีกว่าพระพุทธเจ้า เพราะพระบุทธเจ้าได้ทรงไม่พยากรอปหาในโตไม่เป็นเปนส่วนของดวงาระจันอะไรต่างๆที่เราเคนผ่านๆนั้นเรื่องนี้เหตุผลส่วนพระองค์ส่วนลแล้วก็เหตุผลส่วนอื่นคือไม่เป็นเป็นส่วนของอาจารย์เป็นตนน้นมีส่นดงนั้จึงไม่ควรจะสนใจว่าไม่ควรสนใจใครไปเอาเรื่องนี้มาตอบนะั้นรู้ที่ดีกว่าพระบุทธเจ้าสว่าอย่างนั้น เ, นเราต้องไปอ่านดูดีครับ Hi